ปลาสกโตก็เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมเขต อ, อุบัติกาต้นไม้ล้มเพอเกิดพายุเมื่อสองสาวันก่อนตอนนี้ยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยที่กุดของผู้พูดเนี่ยต้นไม้ก็ล้มตังหลายต้นจะปิดถน น, นก็เกิดความเสียหายพอสมควรพอบางต้นก็ไปทับต้นไม้ที่ปลูกไว้กาลังโตแล้วก็ถูกทับตาย ต้นไม้ลงมครั้งนี้ก็สอนธรรมะหลายอย่างอย่างที่พระอาจารย์เสาได้พูดไว้ว่าบางครั้งเนี่ยในเคาะก็มีโชคอยู่ถ้าเรามองเป็นแต่ถ้ามองไม่เป็นก็ช่วยให้เครียดได้เหมือนกันเราก็จะตีโพยตีพายโทษนู่นโทษนี่บางครั้งสิ่งที่ร้องว่าสอนธรรมเราอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีพระเกิดอุบัติเหตุ แต่ก็โชคดีนะที่ว่าต้นไม้ล้มมาเนี่ยโอกาสที่จะโดนเท้าเนี่ยมีน้อยมากโอกาสจะโดนหัวมีสูงกว่าโดนหัวโดนหลังโดนคอบริเวณ เ, เนี้ยก็ถือว่าพารุปนั้นโชคดีถ้าโดนหัวป่า น, นี้ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็มาดูว่าในเคาะมันมีโชคอยู่จริงๆถ้าเรามองดีๆนะบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมีโชคเลยเมื่อสองวันก่อน ก็มีข่าวที่การสมนะโคศกกำลังพูดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสักพักหนึ่งหลังจากพูดเสร็จเนี่ยโคศกที่พูดเนี่ยก็ไปลม้ลมล้มลงไปแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยอายุเพิ่งสี่ห้าเองบางครั้งฝวามตายมันมาแบบไม่คาดฝันเนี่ยมีหลายคนอายุยังน้อยอยู่เลยก็มาตายก่อนก็มี อย่างเมื่อวานนี้ก็มีข่าวผู้หญิงคนหนึ่งฉลองวันเกิดครบยี่สบสามปีสามีก็พาไปเลี้ยงฉลองวันเกิดขากับถนนลื่นสามีขับรถไปชนต้นไม้ผลปรากฏว่าผู้หญิงเจ้าของวันเกิดเนี่ยคอหักแขนหลุดตายสยองก็เลยกลายเป็นว่าฉลองวันเกิดแล้วก็วันตายไปด้วยเลยทันการที่เราเกิดอุบัติเหตุแล้วเรารอดเนี่ยจึงถือว่า โชคดีอย่างตมาเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุลื่นหกล้มเนี่ยตอนนั้นเราก็ไม่ได้มองว่าเราโชคดายนะเพราะถ้าเกิดมีหินมีของแหลมหรือมีอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยอันมาตายลูกเดียวเพราะตอนนั้นช่วยตัวเองไม่ได้เลยมันลื่นแบบชนิดที่ว่าลอยทั้งตัวแล้วฟาดแบบแรงมากเราควบคุมเจงไม่ได้เลยเหตุการณ์นั้นอ่ะถ้ามีอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยโดนจุดไหนก็อันตรายหมดอุบัติเหตุเราป้อมาัไม่ได้ อันมาก็บอกว่าตัวเองโชคดีถ้าโชคไม่ดีก็ไม่ได้พูดกับพวกโยมอะผงไปแล้วก็มีหลายคนที่มีโชคในเคราะห์อันมาจึงมองว่าพ้าที่เกิดอุบัติเหตุที่วัดเนี่ยมีโชคที่เจ็บแค่ขาบางครั้งเหตุการณ์ต่างๆก็มาสอนธรรมะเราอาจารไปสารพูดอยู่เสมอว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไม่สําคัญอยู่ที่เราเนี่ยจะมีปฏิกิริยาหรือวางใจกับสิ่งนั้นอย่างไรนี่ท่านพูดบ่อยอันมาก็ ทำตามท่านสอนหลายเรื่องนะชีวิตก็รู้สึกเปลี่ยนไปมากเพราะบางเรื่องที่ท่านพูดเนี่ยมันก็โตวณิสัยเราการมองในแง่ลบต่างๆเราก็เปลี่ยนวิธีคิดให้มองในแง่บวกมองในแง่ดีถ้าโกรธก็กรีบให้อภัยคนเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่แต่จะเอาเหตุเอาผลเนี่ยชีวิตเราไม่ค่อยมีความสุขหรอกบางครั้งต้อคิดนอกกรอบอยู่เหนือเหตุเหนือผลถ้าวันนั้นต้นไม้นะ วันนั้นล้มประมาณตีหนึ่งกว่าเนี่ยต้นไม้หน้ากุฎอัลบาเนี่ยถ้าเกิดเพอเอไปล้มมาประมาณสักตีสามห้าเนี่ยอัลบ า, า จ, จะอันตรายเลยแต่ถ้าไปล้มตีสาักห้เนี่ยอาจารไปสารอันตรายเพราะว่าวันนั้นฝนตกถ้าตุ้มอาจจะไปรับอาจารไปสารขับรถกอล์ฟและอาจจะมากับรถหน้ากุฎอัลาอาจจะเจอแจ็คพอตได้เลยหรือต้นไม้ไปล้มมาออกตีห้า ก, กว่าเนี่ยโยมทำวัดเสร็จเดินกลับกุฎกลับที่พักกันเนี่ยก็อันตราย พเพรารามองไม่เห็นหรอกมันโคมาถึงตัวเลยอย่างจุดที่อันตรายอาจถึงตายได้ก็ตรงเนี้ต ร, ตรงกอดถึงหน้าโรงครัวเนี่ยที่ล้มมาชุดใหญ่แล้วก็หน้ากุดอามาสามแยกแที่ล้มมา3ต้นใหญ่แล้ปิดถนนหมดบางั้ธรรมชาติก็เป็นใจนะคือแบบล้มถูกที่ถูกเวลาไงที่วัดก็เลยไม่มีใครเกิดอุบัติเหตุปลอดภัยกันทั่วหน้าแล้วเราก็เห็นวิกฤตเนี่ยเห็นว่าแต่ละคนก็มีความสามัคคีกัน ช่วยเหลือก็เต็มที่เลยวันนั้นกลุ่มหมอตู้ที่มาปฏิบัติธรรมกับพระจายาสารเนี่ยก็ช่วยจัดการเรื่องน้ำท่วมสารานาเนี่ยกลุ่มที่มาก็ตั้งใจเช็ดถูเคลียพื้นที่เพราะว่าสารานาต้องใช่ไงก็ทําสำเร็จนะได้ใช้สถานที่ตรงเวลาพอดีทุกคนสา ม, มคีกันหมดเลยพระในวัดแม่ชีแต่ละคนก็ช่วยกันเคลีย ชวนตัดต้นไม้จนเหงื่อไหลคลย้อยทุกคนก็เสียหละเพื่อเปิดทางให้กลับคืนสู่ความปกติเราจะเห็นน้ําใจกันตอนที่เกิดวิกฤตแล้วแหละเมื่อก่อนเรามานั่งรถไปที่กรุงเทพนะมีอยู่ครั้งหนึงเกิดพายุต้นไม้ใหญ่มันถูกลมพัดแล่วล้มมาขวางถนนนะรถไปไม่ได้หมดทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ละคนก็ไม่รู้จักกันนะแต่ทุกคนปีนใจตรงกันว่าจะต้องเอาต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเนี้ยออกไปพ้นถนนให้ได้จะได้เดินทางต่อไปได้ จึงช่วยเหลือกันแหละใครมีมีดมีอะไรก็มาช่วยกันฟันช่วยกันยกแล้วก็ทําสําเร็จอันที่คือความสามัคคีแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ผลประโยชน์ลงตัวไม่งั้นก็ไม่ได้ไปตัวผู้พูดเดี๋ย ว, วันนี้ไม่ได้มาตั้งใจชวนโยงคุยเรื่องเรื่องเครียดนะเพราะธรรมดาชีวิตเราเนี่ยเครียดอยู่แล้วมีเรื่องให้เครียดมากอย่างพวกแม่ชีบางคนก็น้ําท่วมมองไปทางไหนก็ชวนเซงเหมือนกันบางคนก็ต้องไปพักที่อื่นเดินถนนก็ลื่นอาจจะหกล้มก็ได้ต้องระวังช่วงนี้ วันนี้อดมาก็ตั้งใจะจะพูดเรื่องเปลี่ยนเครียดให้เป็นขำเพราะชีวิตคนเราเนี่ยจะต้องขำบ้างจะได้มีความสุขที่จริงอดมาตัวเองน่าจะเครียดนะหลายวันเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรมากมายเลยแต่เราก็เครียดไม่ได้อะลองลองเครียดดูแล้วบางทีก็อดขำแทนมองเห็นความโชคดีของการเกิดเขาะต่างๆมีพยาบาลอยู่คนหนึ่งวันนี้เป็นวันเกิดแต่อเผอิญเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยจึงมา ใส่บาทพระไม่ทานอ่ะคือพระไปหมดแล้วคือตื่นสายหาพระไม่เจอกลายเป็นเห็นเนเ น, เนแทนจึงไปใส่บาทให้เนนแล้วก็บอกให้เนนช่วยให้พรหน่อยวันนี้เป็นวันเกิดของโยมเนนก็มองซ้ายมองขวาเพราะเนนน่ยเพิ่งบวชใหม่ยังให้พรไม่เป็นเนนก็บอกตรงๆเลยบอกเนนเพิ่งบวชได้สามวันบาลีก็ยังท่องไม่ได้พยาบาลจึงพูดขึ้นว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอก วันทีเป็นวันวันดีวันมงคลของ่โยมเน้นให้พรยังไงก็ได้ขอให้ให้ก็พอแล้วเ น, เน้นนิ่งไปสักพักหนึ่งและจึงให้พร HAPPY BIRTHDAY TO YOU Happy BIRTHDAY TO YOU Happy BIRTHDAY TO YOU พยาบาลก็มีความสุขเน้นก็มีความสุขเพราะว่าพยาบาลเนี่ยเขายอมรับฝวาเป็นจริงว่าไม่มีผ้าใส่บาทเเองก็ได้วันนี้วันดี ไอเนนก็สุขตรงที่ว่ายอมรับความเปจริงว่าตัวเองเนี่ยสวดบนไม่ได้นะบอกไปตรงๆเลยเรื่องขำๆส่วนมากมาจากโรงพยาบาลลูกจิตนั่นแหละหมอก็ประเมินคนไข้ว่าใครหนอจะออกจากโรงพยาบาลได้ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านต่อเอายาไปกินก็มีการประเมินกันหมอก็คุยกับคนไข้หมอก็ถามคนไข้ว่าถ้าหมอเราตัดหูเนี่ยคุ ณ, คณจะไปยังไงตัดหูข้างหนึงนะ คนไข้ก็ตอบว่าผมก็ได้ยินไม่ถนัดสิหมออา้าวถ้าตัดสองข้างล่ะคนไข้ก็ตอบว่าผมก็บองไม่เห็นสิหมอหมอบอกเฮ้ยไปไปได้ไงตัดหูนะโถหมองโง่ไปได้ถ้าหมอตัดหูผมสองข้างเนี่ยแล้วผมจะเอาอะไรเกี่ยวแว่นตาเรวหมอก็เออจริงของจริงจริงคนไข้บางทีมันก็มีเหตุผลอา้าวเหตุผลรับได้ประเมินผลต่อ ถ้าเกิดคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยช่วงนี้มีคนมาบวท้วงเรื่องกาแฟกาแฟราคาตกมากเลยเนี่ยคุณจะทำไงคนไข้นิ่งไปสักพักหนึ่งก็ตอบหมอไปว่าไม่เห็นจะ ย, ยากเลยหมอผมก็ให้พวกเกษตรกรเนี่ยหันาปูโอนตีนแทนก็ได้หมอก็เอาใส่หัวแล้วไอ้คนไข้วันนี้ก็อยู่ต่อคือไม่ผ่านหมอก็ประเบินคนไข้ต่อไปอีกได้พากลุ่มคนไข้โรคจิตเนี่ยมาที่สนามยา่าแล้วก็แจกขันคนละใบ แล้วก็พามาที่บ่อน้ำหน้าโรงพยาบาลแต่บ่อน้ำนั้นไม่มีน้ำนะแล้วหมอก็ให้คนไข้เนี่ยลงไปเล่นน้ำกันคนไข้ก็ดีใจลงไปเล่นน้ำกันอย่างสุขสนานแต่มีคนไข่ยอยู่คนหนึ่งนั่งหัวเราะชอบใจที่เพื่อนเล่นน้ำอยู่ที่ขอบสะหมอเข้าไปถามอา้าวทำไมไม่ลงไปเล่นกับเพื่อนเราคนไข้ก็ตอบว่าโทษหมออย่ามาหลอกผมเสียยากเลยหมอรู้สึกเสียหน้า ที่คนไข้รู้ทันจึงบอกความจริงกับคนไข้ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างประเมินผลคุณผ่านการประเมินแล้วหมอจะให้กลับบ้านได้แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงไม่ไปเล่นน้ํากับเพื่อนเพื่อนคนไข้ก็หัวเราะแล้วตอบว่าก็ผมว่ายน้ําไม่เป็นนี่ครับอ้าวถ้างั้นอยู่ต่อไปก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆจากโรงพยาบาลโรคจิตหมอกูคนไข้เครียดก็พาคนไข้เนี่ยไปวิ่งหน้าโรงพยาบาลกัน เพื่อออกกำลังกายวิ่งไปทางไหนหมามันก็ไล่เหา่าหมาตามเหา่าะแหละจนคนไข้เนี่ยไม่วิ่งต่อหันมาจ้องหน้าหมาหมอก็บอกว่าวิ่งต่อวิ่งต่อคนไข้ก็กลัวหมาจะกัดไงหมอก็บอกว่าคุณไม่รู้เรื่องสุภาษิตโบราณเหรอที่ว่าหมาเหานะ่า่หมาไม่กัดคนไข้นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็บอกหมอว่าผมนะ่ยรู้อยู่ว่าสุภาษิตโบราณเนี่ยหมาเหา่าหมาไม่กัด แต่หมาจะรู้สุภาษิตเหมือนผมไหมเนี่ยเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเม่เข้าโพดเลยแหละที่เมื่อก่อนพระอาารปสารเคยมาเล่าอะ่ะที่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นไม่้าโพดแล้วแหละแล้วนกมันจะรู้ว่าอเจ้าเนี้ยเป็นคนหรือเปล่าท่านคนไข้โรคจิตจึงมีเรื่องขำๆอยู่เรื่อยแต่ก็ใช่ว่าคนไข้โรคจิตจะงโง่ซะหมดมีผู้จัด ก, การธนาคารขับรถ ด, ด้วยความรียบร้อนต้องรีไปประชุมเผอิญรถมายางแตก หน้าลงเยีบาลกจิตพอดีพิการธนาคารไม่รู้จะทไงดีก็ถอดสูตรออกขึ้นแม่แรงแล้วก็ไปเอาล้ออะไหล่มาเปลี่ยนหลังจากถอดน็อตล้ อ, อ, อกเสร็จแล้วก็วางไว้บนกระทะล้อแหละแล้วก็กิ้งยางอะไหล่มาขึ้นจักรยานด้วยความ ร, รีบร้อเนี่ยแหละไอย้ยางอะไหล่ก็ไปชนกระทะล้อน็อตสี่ตัวที่พึ่งขายออกมาเนี่ยไหลตกไปในท่อข้างอ่ะจนหมดเลยสี่ตัวเลย ผู้าการธนาคารเนี่ยยืนหมดอะไรตายอยากในชีวิตคือเซ็งมากเลยไม่รู้จะทําไงไอจะนั่งแท็กซี่ไปประชุมก็ต้องทิง้งรถขนงามไว้ไอจะอยู่ก็ไม่รู้จะทําไงนึกอะไรไม่ออ ก, กตอนนั้นพอเพิรคนไข้เดินผ่านมาพอดีคนข้าก็ทักอ่าว่าไปยังไงทํางานที่ไหนอะไรเงี้ยคนไข้ทักทายกันผู้าการไทยาาก็รล่าให้ฟังคิดไม่ออกเลยตอนนี้ไม่รู้จะทําไงดีคนไข้ก็บอกว่า ไม่เห็นจะยากอะไรเลยคุณก็ไปขันน็อตเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่สมล้อนะเอาร้อละตัวอมาใส่แก้ขาดก่อนรถมีสีล้อก็จะมีล้อละสนอ็อตก็วิ่งต่อไปได้พอคุณประชุมเสร็จคุณก็ไปหาน็อตเปลี่ยนเรื่องง่ายๆแค่นี้เองไม่เห็นจะต้องกังวลอะไรเลยผู้การธราคารพอได้ฟังนั้นก็ถึงบางอ้อเลยโอ้โหไอเดียคุณสุดยอดจริงๆ คุณทำงานที่ไหนครับอ๋อผมอยู่โรงพยาบาล น, นี่เองอ้าวนี่มันโรงพยาบาลคนบ้าเนี่คุณทํางานอะไรอ๋อผมเป็นคนไข้ครับงั้นคุณก็บ้าดิใช่ครับผมเป็นคนบ้าแต่เป็นคนบ้าที่ไม่โง่นะบางครั้งคนบ้าก็ฉลาดก็มีไม่ได้โง่หมดหรอกบางคนเราก็เห็นว่าอาจจะดูติงต้องติงต้องแต่ก็อาจจะมีพรสวรรค์พิเศษอะอย่างที่อาจารย์ไพสาลเคยเทศไว้อะ สามารถทำอะไรที่คนธรรมดาทำไม่ได้ก็มีหลายอย่างจนประสบความสำเร็จเ่เพราะว่าบางครั้งธรรมชาติก็ประทานความสามารถพิเศษให้พวกคนเหล่านี้มีคนไข่ยอยู่คนหนึ่งเครียดวิตกกวนนอนไม่หลับมานานแล้วเพราะว่าแกกลัวผีที่อยู่ใต้เตียงทุกคืนที่นอนเนี่จะนึกถึงผีทุกครั้งหาทางออกไม่ได้จึงมาปรึกษา จิตแพทย์จิตแพทย์หลังจากดูอาการแล้วก็ตอบว่าผมเนี่ยสามารถรักษาคุณให้หายได้แต่คุณเนี่ยจะต้องมาหาผมอาทิตย์ละสองครั้งเป็นเวลาสามเดือนแล้วโรคของคุณก็จะหายขาดคนไข้จึงถามต่อว่าแล้วหมอคิดค่ารักษายังไงหมอบอกว่าครั้งละพันแต่คนไข้ก็นั่งคํานวณแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยมีสี่อาทิตย์ อาทิตย์ะสองครั้งครั้งละพันก็ปลาเข้าไป8 0ดพันสามเดือนก็ตกเข้าไปสอง0มสี่โอ้โหมากอยู่สอง0 0นสี่นี่ผมขอคิดดูก่อนนะหมอแล้วก็ลากลับไปแล้วก็หายสาบสูญไปเลยการเวลาผ่านไปสมเดือนหมอเนี่ยก็มาเจอไอ้คนคนไข้คนนี้แหละที่งานแต่งงานแห่งหนึ่งแล้วก็ทักทายกันหมอถามว่าเอาทำไมคุณไม่ไปรักษากับหมอล่ะ คนไข้ก็ตอบว่ารักษาไม่ไหวอ่ะหมอคิดแพงเกินไปเอ้าแล้วตอนนี้โรคของคุณหายยังโอหายไปนานแล้วครับเอ้าแล้วคุณทำไงถึงหายผมก็ไปจ้างช่างไม้มาตัดขาเตียงออกเสียไปสองร้อยเองครับบางครั้งคนเราเนี่ยเรียนสูงก็ทำอะไรที่แบบคิดลึกเกินไปอย่างที่อาจารย์อาจารย์ไปสาที่พูดเทศนี่สาล้าน้าเมื่อไม่กี่วันก่อนอะ ที่ว่าต้องประชุมต้องทําอะไรยุ่งยากหมดแต่ที่ที่กลายเป็นใช้พัดลมเป่ากล่องอนะคือเรื่อง ง, ง่ายๆก็สําเร็จแล้วไม่ต้องเสียเงินอะไรมากมายก็จะตรงกับเรื่องนี้แหละที่ว่าเสียเงินแค่สองร้อยไม่ต้องไปเสียเงินให้หมอต้องสองหม่นสี่คนเราบางทีก็ชอบทําเรื่องไอ้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเพราะความรู้ตัวเองแหละคนมีความรู้สูง คือมองข้ามความง่ายไปชีวิตคนเราเนี่ยบางทีก็ตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงอย่างที่เราสวดอภินหาอปัจเจเวกไ้เนี่ยมนไก็สอนธรรมะเราให้เราเห็นถึงความจริงของชีวิตความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาจากของรักของชอบใจเนี่ยเป็นสิ่งเราเนี่ยหลีกหนีไม่พ้นเลย ทุกคนต้องประสบถ้าเราพิจารณาทุกวันทุกวันเนี่ยเราเห็นความจริงของชีวิตเนี่ยความทุกข์ของเราก็จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเราไม่อยอมรับความจริงของชีวิตเนี่ยเราก็ต้องทุกข์อ่ะเพราะเราต้องแก่ทุกวันทุกวันบางทีร่างกายก็เสื่อมลงทุกวันทุกวันความเจ็บความป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหลีกหนีไม่พ้นเลย ทุกคนก็เคยหนุ่มเคยสาวมาก่อนก็เคยมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแต่ร่างกายเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นของเราจริงมันเป็นของธรรมชาติเราสั่งแม่มันแก่มันก็ไม่ยอมสั่งแม่มันป่วยมันก็ไม่เชื่อหน้าที่เราทำได้ก็คือยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ดูแลเขาทำตามหน้าที่ถ้าเรากินอาหารตามใจปาก โรคต่างๆก็จะมารุมเล้าเราให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพอ่อนแอถ้ากินมากไปก็อ้วนบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะกินเพื่อกินเลศก็มีกินทั้งวันบางคนก็กินเหล้าวันหนึ่งไม่รู้กี่ขวดก็มีประมาณรู้จักคนยู่คนนึงเนี่ยแกกินเหล้ามาต้องยี่สิบกว่าปีนะแกไม่ยอมให้หมอตรวจเลย แต่พอไปให้หมอตรวจเนี่ยผมปรากฏว่าตาเกือบบอดเพราะว่าเป็นโรหวานแต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นเป็นโรหวานเนี่ยพอรู้ตัวถึงมาเลิกกินเหล้ามันก็มีข้อดีเหมือนกันบางคนเนี่ยป่วยไม่ยอมให้หมอตรวจเนี่ย ก, ก็ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้ว ก, กินอะไรก็ได้ตามใจปากเราแหละแต่มารู้มันมาถึงรู้อีกครั้งงก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วเกือบเกือบจะไม่รอดแล้วก็มี เราจะเจอบ่อยที่ว่าบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งก็ไม่รู้เป็นมะเร็งไปหมอตรวจก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วเตรียมตัวจแทบไม่ทันก็ต้องลาโลกไปแต่ถ้าเกิดเรายอ้อนรับควาเป็นจริงเนี่ยเราแก้ไขป้องกันได้อย่างตัวธรรมานเนี่ยก็กินอะไรตามใจตัวเองแหละพอตอนหลังไปตรวจเจอกรดยูริทิ้งรู้ตัวเองเป็นเก้าอาหารที่เราเคยชอบไก่เดี๋ยวกินไม่ได้ละกะปิ ยอดผักสตออื่นๆอีกมากมายกลายไปต้องระวังเรื่องอาหารไปวิถีชีวิตก็จเปลี่ยนเลยตอนนี้แต่ถ้าเรามาไม่รู้ตัวเองมีกตุรุริตนะเราก็กินตามยายตัวเองเราจะแก้ไขไม่ทันเลยพอ ร, รู้ตัวเราแก้ไขได้อย่างคนที่รู้ตัวเองว่าเรามีกิเลสเป็นคนป่วยทางใจเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลง ถ้าเรารู้ตัวเองเนี่ยเป็นคนขี้ฉาคนชอบเปรียบเทียบคนน้อยใจคนวิตกกังวลเรารู้ปุ๊บเราแก้ไขได้นะแต่ถ้าเราไม่รู้เราแก้ไขไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมเรารู้ปุ๊บล้วก็ใช้ธรรมะโอสถรักษาธรรมะของผู้ด้วยเจ้าอันนี้รักษาโรคทางใจโรคทางกายก็ให้หมอรักษา หือไม่เราก็ดูแลตัวเองฉนั้นคนเราก็เราป่วยกายป่วยใจโด ย, โด ย, โ, ดยโดยทั่วไปแล้วหาคนไม่ป่วยยากเราเวลาเราไปงานศพเนี่ยเราก็สามารถน้อมใจใส่ตัวเราว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนศพที่นอนอยู่ในโลงมาเตือนใจให้เราอย่ า, ามาดนชีวิตถ้าเราสะสมของามากเนี่ในโลกเนี้ยเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยมีเศรษฐีอยู่หลายคนเนี่ย เกิดมาทั้งชาติเนี่ยถ้าจะไม่อยู่ความสุขเลยจะต้องสแสวงหาเงินทองหาชื่อเสียงหาเกียรติยศเกือทั้งชาติจดลืมดูแลสุขภาพอาทีก็ป่วยไอ้คนป่วยเนี่ยใช้เงินไม่ค่อยได้หรอกลูกหลานก็ไปใช้หมดอย่างคนจีนก็มีประเพณีนะว่าวันตุดจีนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะไปเที่ยวให้เต็มที่เลยและอีกสา0ร้อยกว่าวันเนี่ย อีก3า0ยห้ากว่าวันเนี่ยต้องทำงานเพื่อหาเงินเก็บเงินชีวิตเขามองแค่อทิตเดียวของปีหนึ่งแต่ถ้าคนมองเป็นนะเราต้องว่างทุกวันไม่ใช่ไปรอตุดจีนหรือฝรั่งก็ไปรอคิดมากคนไทยบางคนก็ไปรอสงการถึงกลับมาบ้านมาฉลองมากินเหล้ามาลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แต่ถ้าคนมองแบบธรรมะเนี่ยสุขมีได้เฉพาะปัจจุบันไม่ใช่ไปหาข้างหน้าข้างหน้ามีแจะสุขที่หลอกลวงฉั้นคนที่คิดเป็นกับคนคิดไม่เป็นเนี่ยมีชีวิตต่างกันมากเลยคนคิดไม่เป็นไม่พอใจใครก็ทะเลาะวิวาทเจออะไรขัดใจก็ทุกแต่คนคิดเป็นก็มองว่าเอ้ยทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ลัตเอง เราก็ย้อนกลับมาดูใจเราเราแก้ไขคนอื่นไม่ได้หรอกแต่เราแก้ไขใจเราได้ให้เราทุกน้อยลงหรือไม่ทุกก็ได้เปลี่ยนแปลงคนอื่นเปลี่ยนไม่ได้แด้แต่รู้อย่างเดียวเปลี่ยนเราง่ายกว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงคนอื่ น, เ, นเราก็ต้องทุกข์อ่ะฉนั้นเราก็สามารถนําข้อคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นธรรมะจากบทสวดมนต์ธรรมะจากสัตว์เลี้ยง จะเป็นหมาแมวอันนี้ก็สอนธรรมะเราได้คนรอบข้างก็สามารถทดสอบอารมณ์เราได้ว่าเราเนี่ยมีฟามมัน่นคงทางจิตใจแค่ไหนหรือธรรมชาติดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกอากาศร้อนอากาศหนาวก็สามารถสอนเราได้มแมลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมงวิยุงแมงวานพวกนี้ก็มาทดสอบ ภาวนาทูงจิตใจเราถ้าเกิดชีวิตเราราบลื่นเหมือนลอยด้วยกิบกุหลาบเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีการฝึกไม่มีการทดสอบเลยอย่างเทวดาเนี่ยมีแต่สุขอย่างเดียวก็จะไม่รู้ทุกข์ก็จะอยากเกิดเป็นมนุษย์เลยเพราะมนุษย์เนี่ยมีโอกาสพ้นทุกข์ได้พระรู้ทุกข์ความทุกข์ยู่สอนทรรเราให้เรารู้จักโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสั่เสื่อมมียันธาร เรอยู่ใต้โลกธรรมแต่ถ้าคนสุขอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่เห็นตัวนี้ชีวิตก็หลงเพลิ่เพลินไ ป, ป็นวันหนึ่งถึงเวลาก็ตายไปจิตใจก็ไม่ได้ฝึกก็ขาดความมั่นคงอันนจะเจอบ่อยมากเลยผูม้มีปัญหาชีวิตเนี่ยบางทีเขียนมาให้ตอบคำถามใน Facebook เนี่ยเจอเรื่องอะไรนิดหน่อยหมาตายก็เสียใจแมวตายก็ร้องหุ่มร้องไห้ คนรักทิ้งหรือไปรักคนที่เขาไม่รักเราก็เสียใจชีวิตหาทางออกไม่ได้หรือเงินไม่พอใช้เป็นหนี้เป็นสินแต่เราเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกหมดไม่มีใครไม่มีทางออกขอยตั้งสติไว้ธรรมชาติไม่ได้ใจร้ายกับเราทุกเรื่องหรอกเดี๋ยวขหายทางออกให้เราเองแล้วก็ผีวิกฤติเป็นโอกาสทุกอย่างสอนทําเราได้หมดถ้าเราวางใจเป็นก็พูดเรื่องคําบ้างพูดมีสาระบ้างถ้าถ้าขำหมดก็จะไม่มีสาระ ถ้ามีสาระหมดโยมก็จะเซงอเรามาเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งพูดครั้งหนึ่งมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาขอขอความสุขความเจริญธรรมจงมีแก่ยกัติธรรมทุกท่านเอวัง